สรงอนบ้านกากาศนี่มาสกา ร, การท่านค่ะขอขอขอเรียนถามท่านค่ะคือที่เราลึกซึ้งแบบหลักธรรมแล้วอะค่ะแต่แตอนนี้ว่าเหลือที่การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองแต่นี้ว่าการที่เราจะเดินทางเพื่อการพ้นทุกข์อะเราก็อยากไม่ยากให้เดินทางแบบหลงทางอะค่ะอยากจะ เป็นยังไงเดินทางแบบหลงทางเป็นยังไงเดินทางแบบหลงทางคือไม่อยากไม่อยากถือศี่ห้าไว้ค่ะนะทุกวันแบ่งเวลาไว้ภาวนาภาวนาไม่เป็นก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆตอนที่สวดมนต์นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยแล้วก็ทำสมาธิวิธีทำสมาธิทำได้ง่ายๆ อย่างถ้าเราไปสร้างคุณงามความดีอะไรไว้นะเราก็นึกถึง <c oughs> นึกถึงไปอย่างเราเคยไปช่วยแมวตกน้ําอย่างเงี้ย <c oughs> นึกถึงแล้วมีความสุข <c oughs> ใจก็ขึ้นกับวิถีเป็นบุญอีกรอบ <c oughs> ใจมีความสุขใจก็มีสมาธิขึ้นมาแต่แต่ตอนนี้ก็ปฏิบัติสมถะอยู่ค่ ะ, คะแต่นี้ว่า อ, <บ>อยู่ค่ยางฟุ้งอยู่อย่างฟุ้งเยอะนะเยอะ หายใจไปก็ได้นะพุทโธไปหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันใจพุทโธพุทโธไปใจหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมคิดพุทโธเราก็จะได้รู้เร็วๆว่าอ้าวหลงไปแล้วลืมพุทโธซ ะ, แ ล, ะ, ะแล้วเรากลับมาอยู่กับพุทโธอีกไปฝึกตัวนี้ให้เยอะๆหน่อย ย, ยึดพุทโธเป็นเป็นหลักพุทโธง่ายอย่างใช้อนาปนานสติลูกเล่นมันเยอะ ลมหายใจพลิกแป<ต>ลงได้เยอะแต่เวลานั่งแล้วชอบเมื่อยเมื่อยเมื่อยขาแล้วชอบพลิกไปพลิกมาด้วยดูก่อนจะพลิกค<ะ>ดูให้เห็นว่าความปวดเมื่อยก็อันนึงขาก็เป็นอันหนึง่งใจที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกอันหะนึ่งนะถ้าดูไม่ออกอย่าไปพลิกคะ่นะะให้มันเด็ดเดียวลงไปไม่มีใครนั่งปฏิบัติจนขาหักอะ่ะไม่เคยเห็น่ ไม่มีงั้นมันปวดมันเมื่อยนะดูไปก่อนให้เห็นว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายแล้วความปวดเมื่อยก็ไม่ใช่จิตมันเป็นของที่จิตไปรู้เข้าัดดูอันนี้เรื่อยๆไปแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็ค่อยขยับเอาอย่างน้อยก็ต้องให้เห็นก่อนว่าความปวดเมื่อย ก, กับร่างกายคนละส่วนกัน ถ้ามันยังไม่เห็นนั่งมันไปเรื่อยๆให้มันปวดให้เต็มที่ไปเลยพอมันปวดเต็มที่แล้วมันจะหายปวดนะเพราะฉะนันอย่างเรานั่งสมาธิปวดมากๆดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายพอหายปวดเราจะเห็นนะร่างกายยังอยู่แต่ความเจ็บปวดที่แทรกเข้ามาในร่างกายมันหายไปแล้วเพราะนั้นความเจ็บปวดกับร่างกายเนี้คุณละอันกันนะจะค่อยๆดูไป กลับกลับขอบทุกคนกับท่านค่ะระวังอีกข้อนึง่งอย่างฟุ้งซ่านเก่งน ะ, ะปุง้งคิดเยอะไปธรรมะไม่คิดเอาธรรมะรู้สึกเอาใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบใจฟุ้งซ่านก็รูนะ้ดูไปได้ได้ๆอย่าไปคิดค้นคว้าดิ้นรนเยอะไม่ดีกลับหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อทุกวันนี้ทํางานอยู่กับเพื่อนที่ว่า จิตจะส่งออกนอกเยอะเพราะว่าชอบพิพากวิจารณ์คนใช่ยุ่งกับคนอื <el en> ่นเขาก็เราก็บางทีก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอย่<น görüş> <RGB> อันนี้มันก็รู้ให้บ่อยๆหน่อยอย่าไปยุ่งกับคนอื่นโดยไม่จําเป็นนี้วันนี้มาอยู่วัดก็ <cents> นน <bidding> นนได้เห็นตัวตนของตัวเองว่าอัตราตัวตนสูงมากเออดีดีที่เห็น น, ญญ น, นึกตอนช้าเดินออกมาจาก ประตูทางเข้าก็เห็นคนเดินจงกมตัวเองก็เดินออกมาอมฉันอยู่วัดนะอย่างเงี้ยว่าเราเราดีกว่าเขาอย่างเงี้ยเห็นดีดูไปอย่างนงี้ยแล้ ว, ลวที่ที่โยบปฏิบัตินี้ตอนนี้แบบถูกทางไหมคะพูดไงดีอ่ะ <laughs> <laughs> มันก็ดีกว่าไม่ปฏิบัติ ตอนตอนนี้ดีกว่าตะกี้<ะ>ดูออกไหมเออออกค่ะปล่อยมันปล่อยให้มันเคลื่อนไหวในสติรู้ไปรู้ทันอย่างเนี้ยใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดนะรู้ทันไปเรื่<ะ>อยๆบางทีถามนะ้หลวพ่อเขาเกรงใจเกรงใจที่จะตอบนะเ<ะ> <laughs> บอกแล้วท้อแท้ใจอะไรเงี้ยนะ ฟุ้งซ่านเซลจัดไปดูเจ้าความคิดเจ้าความเห็นตัวเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยเป็นตัวที่นําความทุกข์มาให้เราเองเยอะมากเลยเออนั่นแหละเจ้าระเบียบนั่นแหละเออนั่นแหละดูกิเลสของเราแต่ไปดูคนอื่นมันเลื่อนได้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย ไม่ต้องแก้ดูไปนี่แหละตัวหาความทุกข์ใส่ตัวเองแล้วก็ไปทำความทุกข์ใส่คนอื่นนะทำให้คนเขาเกลียดเราด้วยใช่ไเราเอ๊ะฉันก็ดีอย่างเงี้ยทำไมมาเกลียดฉันเนี่ยจะไปสไตล์นี้นะมันไม่ดีจริงดีจริงไม่มีเรื่องกับใครหรอกมันดูแต่กิเลสตัวเองนะเอา้าว่าไปตื่นเต้นครับอะไรนะตื่นเต้นครับก็ดู Youtube มาปีกว่า อยากให้หลวงพ่อดูให้ว่าที่ปฏิบัติมาปีกว่าเป็นไงบ้างคปฏิบัติอีกนะที่ปฏิบัติมาก็ก้าวหน้าขึ้นแล้วล่ะรู้สึกตัวไปเห็นกายเห็นใจเขาทำงานไปเรื่อยๆนะดูแบบไม่มีส่วนได้เสียทุกวันทำในรูปแบบต้องทำนะจิตถึงยังมีแรงถ้าเจริญสติในชีวิตประจาวันอย่างเดียวจิตจะไม่มีกาลัง เวลาทําในรูปแบบว่าทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตนะไม่ใช่ทํากรรมฐานเพื่อบังคับจิตนะทํากรรมฐานแล้วรู้ทันจิตเช่นพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้อะไรเงี้ยหรือหายใจอยู่จิตถลำลมไปจ้องลมหายใจก็รู้จิตถลําไปคิดก็รู้อย่างนี้ถือใช้ได้นะค่ะก็อยากให้หลวงพ่อแนะนําค่ะอยากก็ให้รู้ว่าอยากค่ะ <c oughs> ใ ห, ให้หลวงพ่อแนะนําการเริ่มต้นว่ทาที่ถูกที่ควรคือศีลห้าไว้เริ่มต้นจําเป็นนะศีลดังพร้อยสมาธิไม่เกิดหรอกเคยมีสมาธิพอศีลดังพร้อยสมาธิก็เสื่อมตั้งใจไหมเราจะไม่ทําผิดศีลตั้งใจอย่างนี้นะทุกวันแบ่งเวลาไว้ภาวนาไหว้พระสวดมนต์หายใจเข้าพูดหายใจออกทัวอะไรก็ทําไปเรื่อยๆ จิตมันจะได้มีแรงแล้วก็หายใจไปก็คอยสังเกตใจเราไปใจเราหนีไปคิดก็รู้ใจเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ใจไปอยู่ที่อื่นก็รู้รู้ทันใจเรื่อยๆพอเราได้ใจมาแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือที่จะปฏิบัติแล้วการปฏิบัติทำปฏิบัติที่ใจไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นหรอกเราก็สังเกตใจเราไปเรื่อยใจนี้เดี๋ยวก็สุขใจนี้เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลง มีแต่ความไม่เที่ยงดูไปอย่างนั้นปัญญาเยอะนะเราอะดูอนัตตาไว้ <c oughs> ดูอนัตตาพวกปัญญาเยอะไม่ใช่ไม่ใช่คิดเยอะนะถ้ายอย่างนี้คิดเยอะไม่ใช่ปัญญาเยอะคนละแบบมันส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาของคนอื่นค่ะนั่นแหละชอบยุ่งกับคนอื่นไม่เอาเรื่องของคนอื่นไม่เอาอขอบคุณใช่ เวลาอย่างพระนะมาบวชหรือพระฤรืชีอะไรมาบวชเนี่ยเรียกบำเพนน็ญเนคขมะบารมีในคข ม, มะบารมีมันไม่ใช่แค่ว่าไม่มีครอบครัวอะไรเงี้ะมันอยู่ที่ใจจริงๆเลยวิงทีตัวอยู่ในวัดใจคิดถึงบ้านตลอดอย่างนี้ไม่มีในคข ม, มะบารมีหรือบางทีญาติพี่น้อง ชอบเอาเรื่องข้างนอกเรื่องร้อนๆข้างนอกมาเล่าให้พระให้ฉีฟังอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ไม่ดีเขาออกจากโลกมาแล้วเพื่อจะสร้างสติสมาธิปัญญาของเขาอย่าตามเอากิเลสมาใส่เขาเนี่มีเยอะนะชอบเอาเรื่องร้อนๆมาเล่าให้พระให้ฉีให้เนนฟังอะไรเงี้ย อันนั้นนอกจากไม่ช่วยการภาวนาแล้วยังไปบัณฑรเขาด้วยบัณฑรผู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าโยมนะโยมไม่เกี่ยวหรอกพอดีนึกขึ้นได้ะเห็นพวกเราบางคนชอบเล่าชอบเอาเรื่องที่นี่ไปเล่าที่โน่นเอาเรื่องที่โน่นมาเล่าที่นี่พวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะนี่ไม่ถูกกม่น้านไม่ ด, มดีกูดีอยู่คนเดียวอะ่ะะจนสุดท้ายไม่มีใครคขาคระจําไหมนะ อย่าไปยุ่งกับคนอื่นดูของเราไว้เรายังมีกิเลสเราไม่ใช่คนดีต้องดูอย่างนี้นะไม่งั้นเราจะดีกว่าเขาเราเด่นกว่าเขาอะไรเงี้ยไม่ดีมันจะทําให้เราตกต่ําไปต้องสู้นะแล้วต่อไปคนจะรักเราเยอะกว่านี้ของนี้ไม่มีอะไรหรอกภาวนาไปเมื่อเี้ใจหลงไปแล้วรู้สึกไหมหลงไปคิด แล้วตอนนี้หลงไปเพ่งใจทื่อๆแล้วรู้สึกไหม เ, เ, นนเห็นไหมร่างกายสายหน้าต้องเห็นก็ ห, นหัดเห็นสิ <laughs> <laughs> ไม่เห็นเหรอไม่เห็นมันต้องนห็นทำหน้าเกลียด น, นะอย่างบางคนโทรศัพท์นะโทรไปแฉฟันไปด้วยเอานิ้วเขีย่ยผู้หญิงสวยเลยนะ โห oh, หมดท่าเลยเสแจกสาวน้อยร้อยช่างเหลือสองสลึงนเพราะอะไรไม่รู้สึกร่างกายทําอะไรน่าเกลียดนะม้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้ไปแล้วจะดีนะมีการหมกร่างกายเราเองจะต้องรู้ด้วยเหรอต้องรู้ร่างกายของเราร่างกายคนอื่นมันจะเคลื่อนไงช่างมัน ไม่ไม่ไปดูเขาหน้าดูของเราเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปรู้สึกเพื่ออะไรจะได้ไม่ใจลอยไปที่อื่นนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวทั้งวันเลยใจเราคอยดูร่างกายมันเคลื่อนไหวใจจะได้ไม่หนีไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นนะมันจะได้สมาธิขึ้นมาหรือดูไปดูไปมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเหรอกนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวไ ป, ไปมาไม่ใช่ตัวเรา อย่างนี้ได้ปัญญานะางนั้นดูเรื่อยๆดูบ่อยๆไม่มีคําถามคะ่ะคําตอบอยู่ที่ซีดีหลวงพ่อหมดแล้วคะ่ะคำตอบได้จากซีดหลวงพ่อหดแล้วค่ะวันนี้เขาเปิดไม่เบาหรือหูลวงพ่อหูตึงเป็นพิเศษรู <c oughs> ้ไหมนะไม่เป็นเบาฮะเราชักเหนื่อยแล้วต้องตะโกนเอา้าใครจําเป็น ออนนมายการเริ่พูดค่ะเวลาค่อยเดินจงกงมค่อเห็นห่างเก่าเดินจับินคุนดูค่อสซามาเห็นได้เจ้าเข็มไวที่อเยตนะฮะเดี๋ยว่าค่อตอนนี้อยากรู้ว่ารู้สึกดูค่อยทำตัวตรงเร็บล่ละภนะาวนาค่อเป็นยังไงค่ะดีอัลโหลสึกไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยมันเพ่งอยู่นะมันบังคับใจให้นิ่งๆอยู่ตอนนี้ยเขาดูออกแล้วล่ะไม่เป็นไรใช้ได้ ดีใจก็ให้รู้ว่าดีใจเขาอยากรู้ว่าเขาภาวนาะพัฒนาขึ้นหรือเปล่าพัฒนาขึ้นนะแต่ตอนนี้ใจมันวิ่งออกมาข้างนอกให้รู้ทันว่าใจมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อละรู้ทันใจเราหนีไปไหนแล้วค่อยรู้เรื่อยๆใช้ได้นะคนนี้ภาวนาดีใจมีความสุขมีความสุขแล้วเราก็รู้ว่าจิตใจมีความสุข คนนี้ดีตรงที่ว่ามีความสุขแล้วไม่เพลินในความสุขบางคนมีความสุขแล้วมันเพลินไปทั้งวันนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้อย่างนี้ใจมีความสุขหรือว่ามีความสุขมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะดีอย่างนี้อยู่ที่ไหนอไปทางนี้แล้วธรรมะสากลค่ะหลวงพ่อพดีหนูปฏิบัติมาสองปีนะคะเข้าใจว่าจิตไม่ถูกค่ะคะ่ะ อะไรนะพอดีปฏิบัติมาสองปีอะค่ะเข้าใจว่าจิตยังไม่ถูกค่ะทำไมอะทำไมไม่ถูกอะเป็นเป็นเพ่งค่ะแล้วก็รู้ไหมว่าเพ่งเวลาเพ่งนะใจมันแข็งแข็งเครียดเครียดรู้ไหมเวลาใจมันแน่นแน่นรู้ค่ ะ, ะนั่นแหละเพ่งแล้วไงมีปัญหาอะไรเพ่งรู้ว่าเพ่งก็ไม่เป็นไรละ มันมันเพ่งมาน่าจะสองปีแล้วนะคะไม่ชอบก็ <c oughs> ให้รู้ว่าไม่ชอบนะดูเข้าไปที่ใจไม่เป็นกลางสภาวะทั้งหลายเนี่ยเท่าเทียมกันหมดจะชั่วจะดีจะสุขจะทุกข์จะสงบจะฟุ้งซ่านจะเผลอจะเพ่งอะไรเนี่ยทั้งหมดนี้เท่าเทียมกันแต่ว่าเมื่อสภาวะเกิดแล้วจิตเรายินดีจิตเรายินร้ายให้รู้ทันตรงนี้ไปเรื่อย เพรานทั้งวันจะเห็นเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆเฝ้นะารู้เฝ้าดูไปอย่าเราเห็นมันเพ่งอยู่เราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะรู้ทันใจของเราไปเรื่อยไม่ต้องคิดว่าทํายังไงจะหายเพ่ยงยิ่งพยายามทํายิ่งเพ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทําอะไรหรอกเพ่งรู้ว่าเพ่งเพ่ ง, <ๆ>เพงเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะทําใจสบายๆดูไปเรื่อยๆ ไม่ได้หวังว่าจะเอาดีหรือเอาอะไรที่วิเศษวิโสสภาวะอะไรเกิดก็รู้ออกไปหนูเพ่งไม่มากหรอกใช้ได้แล้วตอนนี้หนูเลยเปลี่ยนมาเป็นสวดมนต์ค่ะได้สวดไตสวดมนต์แล้วเวลามันเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็คอยรู้ไว้แค่นั้นก็พอละ แค่นี้หรอคะเออแค่นี้พอละค่ะ ข, ขอบคุณมากค่ะอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยถ้ามีเวลาแล้วก็สวดของเราไปนะสวดยาวๆเบื่อหรือลำคานยาวไปสวดสั้นๆก็ได้สวดสั้นๆกนเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองไปสงบก็รู้ฟุง้งซ่านก็รู้สุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้ไปเพ่งก็รู้เป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อย ของนูดีขึ้นตั้งเยอะแล้วล่ะมันไม่ได้มีปัญหาอันนี้ดีแล้วใช่ไหมคะ ม, มันไม่ได้เพ่งอะไรรุนแรงเลยขอบคุณมากค่ะนู่นอยู่ท้ายๆห้องกล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้าน ย, ย, ยกมือให้หลวงพ่อภาพไปค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะเรียนกับหลวงพ่อทาง y o u t u ู e ประมาณห้าเดือนค่ะก็ ส่วนใหญ่ก็จะดูที่ร่างกายเดินไงค่ะแล้วก็บางทีเห็นความฟุ้งก็รู้ว่ามันฟุ้งบางทีเห็นว่าเหมื่อก็รู้ว่าเหมื่อแล้วก็มีสติกลับมาดีแล้วก็กลับไปเหมื่อก็มีรู้ว่าเหมื่อไงค่ะกลับไปหลายๆรอบไงค่ะดีดูได้ทั้งวันเลยนะเหมื่อแล้วรู้เหมื่อแล้วรู้ไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วจะเอาอะไรนักหนาสังเกตไหมจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เหมื่อก็ไม่เที่ยง จิต ท, ที่รู้ก็รักษาไม่ได้จิต ท, ที่เหม่อก็ห้ามไม่ได้ดูออกไหม<ะ>เราต้องการให้เห็นความจริงเหล่านี้ไม่ได้ต้องการให้สงบไม่ต้องการให้ตั้งมัน่นไม่ได้ต้องการอะไรเลยเราต้องการให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างบังคับไม่ได้ต้องการแค่นั้นแหละนะไปฝึกต่อไปกาลังของหนูยังไม่พอใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่น ะ, ะไม่ค่อยมีแรงจริต่ะ เพราะงั้นอยู่กับพุโทโธอยู่กับการสวดมนต์อะไรอยู่ให้มากๆเลยจิตจะได้มีกำลังจิตยังไม่ค่อยมีแรงนะดู y o u t u ู e เดี๋ยวนี้ต่อไปจะมีที่ดูให้แล้วนะมูนิที่เขาผลิตแล้วนี่โฆษณาซะหน่อยจะเปิดตัววันไหนอ๋อเปิดตัวพรุ่งนี้นะยังกระดาราหรือหนังเรื่องใหม่เมื่อก่อนนี้มี เครื่องอัดเสียงบันทึกเสียงหลวงพ่อมีหลายร้อยไฟล์หลายร้อยกันอันนี้เป็นเป็นรูปภาพคลๆโทรทัศน์จิ๋วเครื่องที่อ่านเท่าไหร่พันสี่แล้วรวมแบตยัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโดนเก็บภาษี ที่จริงถ้ามีมือถือแล้วดูโหลดเอาก็ได้แต่นี้ไม่ต้องโหลดใช่ไหมมีกี่กันนะเหลือปีหนึ่งมีทั้งปีออฟังสักกานหนึ่งให้รู้เรื่องก็พอแล้วล่ะไม่ต <laughs> <laughs> ้องฟังตั้งปีหล <laughs> วงพ่อเรียนเดี๋ยวครูบาอาจารย์นะเรียนนิดเดียวเองเรียนนิดเดียว หลวงปู่ดูลบอกการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหะนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองแค่นี้เองนะที่หนึ่งท่านก็สอนจงทํายานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปจบแนละ้วสั้นๆครั้งสุดท้ายที่เจอท่านท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนันะสั้นๆไม่มีเทสดาม เราเอาไปภาวนาแต่ละประโยคนั้นภะาวนากันแลมปีเลยอันนี้ฟังแลมปีภาวนา <laughs> เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ <laughs> ฟังกันแลมปีเอ้าวมาว่ามาครับหลวงพ่อมีสองคำถามนะครับคำถามแรกคือผมปฏิบัติผิดหรือถูกอยู่ครับตอนนี้อะไรนะอาตอนนี้ผมปฏิบัติผิดหรือถูกอยู่ครับใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะสมาธิเรายังไม่พอหรอก งานหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไป่อยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้อะไรก็ไดนะ้แล้วก็คอยรู้ทันใจของเราไปใจมันหนีจากร่างกายไปรู้สิ่งอื่นแล้วก็รู้ทันมันฝึกตัวนี้นะแล้วสมาธิจะได้เพิ่มขึ้นนลาวอีกข้อหนึ่งว่าไงอีข้ออีข้อก็คือว่าห <c oughs> ลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อ นอกจากเวลานอนกับเวลาทำงานนะครับหลวงพ่อก็ปฏิบัติได้ทั้งวันแต่ว่าทำไมผมทำแล้วมันเหนื่อยแล้วมันไม่พอครับทำอะไรนะทาแล้วมันเหนื่อยแล้วมันทำไม่ได้ทั้งวันเนี่ยครับถ้าเราภาวนาเป็นไม่เหนื่อยหรอกนะภาวนาไม่เป็นให้เราจะไปบังคับจิตหรือจงใจที่จะรู้ตลอดเวลาพอเราจงใจมากตั้งใจมากเจตนามากอะไรเงี้ยมันจะเหนื่อยคล้ายๆมันเค้นตัวเองเกินไป ของหลวงพ่อไม่เหนื่อยหรอกหลวงพ่อก็ดูกายดูใจมันทํางานไปตอนไหนฟุง้งซ่านดูไม่รู้เรื่องกลับมาอยู่กับลมหายใจนะใจมันก็ได้พักเป็นระยะระยะอยู่แล้วมันไม่เหนื่อยแต่ถ้าใจเราไม่ได้พักเลยที่หลวงพ่อบอกสมาธิมันไม่พอมันจะเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นไปฝึกหายใจไปพุโทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้หรือจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้ แล้วค่อยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปไหลามาอย่าไปบังคับใจนะแค่รู้ทันใจที่ไหลไปไหลามารู้บ่อยๆสมาธิเราจะเพิ่มขึ้นสมาธิเรามีแล้วแต่ไปเราก็ดูกายดูใจมันทํางานเราเห็นมันทํางานได้ทั้งวันพอทํางานไปส่วนทํางานไปชั่วโมงหนึ่งมันเริ่มลาแล้วเราก็กลับมาหายใจมาอยู่กับพุโทโธใหม่ทําสลับไปอย่างเงี้ยใจจะมีกําลังอ่าลราดูลมหายใจเนี่ย ไม่จําเป็นต้องนั่งก็ได้ใช่ไหมครัใช่เพราะเราไม่ได้หายใจฉเฉพาะตอนนั่งแต่ว่าบางทีบางทีผมนั่งรถอยู่อะไรอย่างนี้ผมก็หลับตาดูได้ใช่ไหมครับขับหรือเปล่าไม่ได้ขับเออได้นั่งหลับตาไปดูจิตใจดูลมหายใจแล้วก็ทําไปแล้วก็รู้ทันใจไว้เช่นเราหายใจอยู่เงี้ยจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมเรารู้ทันจิตหนีไปที่อื่นเรารู้ทันนะ หลวงพ่อก็ชอบทำตอนขึ้นรถอ่ะมีเวลาเยอะคนกรุงเทพนะรถมันติดนานบนทางด่วนอย่างนี้ก็ตติดเนาะไม่รู้มันด่วนตรงไหนครับจบแล้วครับนั่นแหละไปเพิ่มสมาธิโดยการทำกรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองไปนะส่งมาให้หนุ่มเสื้อแดงนี้ ใจจิตออกนอกตามหนุ่มเสื้อแดงไปเขามีสองคำถามกัะหลวงพ่อคำถามแรกค่ะเขาสนใจทำหาค้นหาความจริงมาประมาณ30สปีค่ะอ่านหนังสือมาหลายสำนักฝึกโดยการนั่งสมาธิประมาณหนึ่งสองครั้งต่อสัปดาห์แต่ในใจลึกๆยังมีความกลัวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลัวความหยาบคายกลัวความโวยวายกลัวการทำร้ายผู้อื่น แล้วเขาก็รู้สึกละอายต่อความรู้สึกเหล่านั้นเขาไม่เห็นว่าตัวเองมีพัฒนาการอะไรเลยเว้นแต่จะเห็นว่าสงบเป็นครั้งคราวค่ะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวและไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรค่ะใช้ชีวิตแบบมีสตินะการนั่งสมาธิไม่ได้ทำให้ใครพ้นทุกข์จริงการนั่งสมาธิมันก็เหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่มือถือไว้อย่างนี้แล้วก็เราไม่ได้เอามือถือไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเดี๋ยวแบตก็เสื่อมต้องชาร์จอีก การทำความสงบก็เหมือนกันนะสงบไปแล้วก็สบายประเดี๋ยวเดียวเดียวก็ฟุ้งอีกมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะงั้นเราพยายามฝึกให้มันสูงกว่าการทำสมาธิให้จิตสงบหัดเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้จิตใจตนเองไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่เคยคงที่เลยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันดีไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันสุขไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันสงบแต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตใจเราเนี้ยไม่เคยคงที่จิตใจเรามันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้จริงนะเฝ้าเรียนรู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วจิตใจเราจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นอย่างเวลาเราโกรธขึ้นมาอยากทําร้ายคนอื่นเนี้ยเราจะเห็นใจมันโกรธ พอเราเห็นใจมันโกรธนีความโกรธมันจะครอบงําใจเราไม่ได้เพราะความโกรธครอบงําใจไม่ได้แล้วมันจะไม่ทํำลายคนอื่นที่มันทํำลายคนอื่นเพราะถูกความโกรธครอบงําใจนี่ความโกรธเนี่ยมันแพ้สตินะให้เราคอยรู้ทันมันมันโกรธขึ้นมารู้มันกังวลรู้มันกลัวรู้หรือมันชอบขึ้นมาก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้ทันใจของตัวเองเรื่อยๆแล้วต่อไปเนี่ย กำลังของสติมันดีเวลากิเลสเกิดเราจะรู้ทันอย่างรวดเร็วกิเลสมันจะดับไปเองโดยที่เราไม่ต้องดับเราจะไม่ทำร้ายใครไม่ต้องกงังวลหัดดูไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ไปฝึกให้จิตสงบถ้าเราไปมุ่งที่ความสงบอย่างเดียวไม่ดอมเดินปัญญาไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจสงบอย่างเดียวนานๆ น, น, นะพอเราออกจากสมาธิเราจะร้ายยิ่งกว่าเก่า มันจะร้ายยิ่งกว่าเก่าเพราะมันเก็บกดใจมันเคยเคลื่อนไหวเราไปทำให้มันนิ่งมันเก็บกดพอเราหมดแรงที่จะควบคุมมันจะพุ่งออกมาอย่างรุนแรงฉะนั้นเราอย่าไปบังคับใจให้สงบนิ่งๆแต่ให้คอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆแค่นี้แหละไปดูอยู่ที่ไหนในข้างหลังท้ามคุหลวงพ่อเขาไม่รู้ว่าจิตคืออะไระค่ะ อ oh. ยังเป็นคนเดิมค่ะเขาไม่รู้ว่าจิตคืออะไรความแตกต่างระหว่างจิตกับสมองเป็นยังไงขอคำแนะนำในการฝึกสติอย่างถูกต้องเพื่อค้นหาตัวเองให้เจอค่ะส ม, นะสมองเป็นวัตถุนะสมองเป็นวัตถุนะจิตเป็นความรู้สึกเป็นความรับรู้นะมันคนละอนกันระหว่างความรับรู้กับตัววัตถุตัวสมองเองนะ มันมันก็เสื่อมได้นะสมองสุดท้ายมันก็เสื่อมสลายแล้วมันก็ตายไปแต่จิตเนี่ยมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปพวกเทวดามไม่มีสมองแต่คิดได้รู้สึกได้ก็มีจิตเวลาอย่างเราบางทีนะเรานอนหลับ สมองไม่ทางานสมองอยู่ที่นี่แต่จิตเนี่ยออกจากร่างไปเที่ยวที่อื่นได้ออกไปเที่ยวไปดูโน่นไปดูนี่ได้เราไม่ได้พาสมองไปดูแต่จิตมันวิ่งออกไปดูข้างนอกได้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันคือความรับรู้เป็นนามธรรมเป็นความรับรู้ในขณะที่สมองมันเป็นรูปธปรรมแต่ถ้าเรียนแบบนี้มันยุ่งยากนะ หัดอย่างนี้ดีกว่าเราสังเกตใจของเราเองเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูคือมันคอนเซนเทร e ที่การดูบาอทีมันก็วิ่งไปฟังบางทีมันก็วิ่งไปคิดมันย้ายที่ไปได้เรื่อยๆทางๆที่สมองเราไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเราก็นั่งอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่จิตตัวจิตนะมันวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ วิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตอย่างสมองเราไม่ได้ไปอดีตไปอนาคตเนี่คยค่อยๆสังเกตตัวจริงเห็นการทำงานจริงๆของมันอย่างส่วนใหญ่ที่ควรเป็นนะก็คือวิ่งไปคิดวันๆห น, นึ่งเนี้ยจิตไหลไปคิดตลอดเวลาให้เราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดวิธีที่จะรู้ทันนะทำกรรมฐานอย่างหนึง่งเช่นพุโทโธพุโทโธไปหรือหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปแล้วพอจิตมันหนีไปที่อื่น ให้เรารู้ทันฝึกอย่างนี้นะแล้วเราจะรู้จักจิตไม่ใช่สมองหมดยังของข้าครับกับนมัสการหลวงพ่อครับผมนั่งสมาที่มาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดสองประมาณสองปีแล้วก็ทิ้งไปเลยตามงานทำอะไรก็ทิ้งไปเลย ม, มานั่งอีกทีประมาณปีห้าศูนย์ ก็นั่งมาประมาณสิบกว่าปีแล้วส่วนมากจะนั่งในรูปแบบเช้าเย็นเช้าเย็นไม่เคยขาดฮะก็ก็พยายามทำวิปัสสนาญาณก็คือแบบว่าในชีวิตประจำวันเดินยืนนั่งนอนแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่จนมาเป็นเพื่อนในเฟ e บุ๊ k ธรรมช่วยหลวงพ่อนะฮะก็ได้รู้จักจิตรู้จิตหลงแล้วก็ก็เริ่มนั่ง ตามที่หลวงพ่อแนะนำประมาณนักเจ็ดดเดือนเนี่ยครับก็ดูกายแบบที่กายเป็นปัจจุบันขณะดูจิตแบบที่จิตเป็นดูทั้งอาการของจิตอ่าแล้ ว, ลวก็ดูทั้งพฤติกรรมของจิต ก, ก็ก็ได้ได้รู้รู้จิตรู้จิตหลงเนี่ยซึ่งแรกๆกเนี่ยก็ตามรูปแบบทำไปก็วิปัสสนาไปด้วยแล้วก็ ดูจิตรู้จิตหลงไปด้วยดูได้ดีแต่ว่าชีวิตประจําวันเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็ได้วันละสองนับครั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็จิตรู้มากกว่าจิตหลงก็พอดูไปแล้วก็พอมันหลงไปเนี่ยก็เอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปจับอีกว่าพอมันหลงไปปึ๊บอย่างเช่นเห็นคนี้คุยกันเรื่องธรรมะก็ เห็นตาเห็นรูปเห็นก็คุยกันอืเวทนาเสวยอารมณ์อืมีความสุขเห็นก็คุยเรื่องธรรมะเรื่องเตรียมตัวก่อนตายออืม่าสัญญาเราไม่มีความจําได้หมายรู้ไม่รู้จักเขาแต่ว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งก็ปรุงดีอืวิญญาณก็เอ้จิตหลงไปแล้วอืก็เห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับชัดเจนอืก็กลับมาดูจิตรู้ทํานองเดียวกันก็เอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ภาวนาภาวนาให้ง่ายขนั้นี้ ครับรู้ที่จิตอันเดียวครับก็จะก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าไอ้อย่างนั้นเหนื่อยเกินไปครับเหนื่อยไปแยกขันไม่จําเป็นหรอกขันห้ามันเป็นผลผลิตของจิตเท่านั้นเองครับนั่นเราใครยรู้ทันจิตไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตตั้งมั่นก็รู้จิตไหลไปก็รู้เอาแค่นี้แหละครับนะธรรมะสาหรับคนคนหนึ่งเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยไม่มากหรอก ถ้าแต่แจกแจงมากเนี่ย ใ, ใจจะฟุ้งในธรรมะมันจะไม่สงบหรอกเราะั้นเราแค่รู้ทันจิตของเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วละะส่วนเรื่องอื่นๆมันจะรู้เองรธรรมะอื่นจะรู้ขึ้นมาเองก็ตอนนี้ทําในรูปแบบมันก็ไม่สามารถตั้งมันต่อความฟุ้งซ่านได้ครับมันก็หลงคิดไปซะเยอะครับเวลาทําในรูปแบบครับอืม <c oughs> แลก็ในชีวิตประจำวันช่วงนี้มันก็มันก็ไม่ซอบเป็นกางตรอดบางวันมันก็สงบนะบางวันมันก็ฟุ้งซ่านมันไม่ได้เป็นทุกวันหรอกเพราอนอย่างเราบางวันเราภาวนาไปจิตก็สงบรู้ตัวดีบางวันก็เสื่อมเป็นเรื่องธรรมชาตินะการปฏิบัติมีเจริญมีเสื่อมแต่ว่าพอเจริญแล้วเราดีใจพอเสื่อมแล้วเราเสียใจอะไรเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าเจริญแล้วพอใจ ดีใจรู้ว่าดีใจเสื่อมแล้วเสียใจรู้ว่าเสียใจเฮเราพอนาได้ทั้งปีเลยไม่ได้มีปัญหากับความเจริญหรือความเสื่อมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องกังวลอะไรคอยรู้ทันจิตที่ชอบจิตที่ไม่ชอบดูมันสองอันนี้ก็พอแล้วครับช่วงนี้ในชีวิตประจำวันจิตใจจะเป็นทุกข์กับการทํางานค่อนข้างมากครับจนกระทั่งท่านไม่สามาเป็นกลางได้จากอะไรนะทุกข์การทํางานครับงานงานเออ ก็มีหน้าที่ทํางานก็ทําไปแล้วแล้วไงล่ะอหลวงพ่อมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมครับรู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบไหมนะแค่นั้นพอละอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหน้านี้แหละส่งหมายมานะอย่างในวัดตลงพ่อนะถ้ามาบวชแม่ชีมาบวชอะไรเงี้ย หลวงพ่อก็ต้องการให้ทุกคนภาวนาพวกเราที่เป็นญาติญาติเลยเนะอย่าพยายามเอาเรื่องโลกโลกมากวนใจชอบเอาเรื่องข้างนอกมาเล่าซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของพระของชีไปยุ่งกับโลกงั้นทำตัวให้ถูกถูกหน่อยนะ ไม่ใช่เอาแต่เรื่องญาติเรื่องพี่น้องเรื่องลูกเรื่องหลานอะไรมาเล่าล่าเล่ า, ลาจะทำยังไงจะทาไงเเรื่องของพ่อแม่เขาเป็นเรื่องของครอบครัวเขาย่าวอาเรื่องร้อนๆมาใส่นักบวชเอาเรื่องโรคๆมาใส่นักบวชเขาออกจากบ้านมาเขาเรียกว่าเขามีเนคขมมะแล้วเออกจากเรือนมานะ อย่าพยายามทำให้เขากลับเป็นคนในเรือนอีกนะมันบาปนะมันบาปเราต้องพยายามดูอะไรที่จะเกื้อกูลให้จิตใจเขาร่มเย็นต้องเอาตรงนั้นไม่ใช่เอาเรื่องที่เรากรุ้มใจมาระบายใส่ใส่ใส่มนทำให้การภาวนาของเขาเนี่ยติดขัดมันทำลายเนคข ม, มาบารมีของเขาด้วยนะ เขาออกจากเรือนแล้วเราทำให้เขากลับเป็นคนในเรือนอีกไม่ถูกไปปรับปรุงเสียนะกรรนมัสการครับเออยังติดเพ่งอยู่นิดนึงครับอืมถูกอยากจะขอคำแนะนำครับติดเพ่งก็รู้นะไม่ชอบก็รู้นะรู้ทันใจสังเกตไม่ ใ, ใจเราวันนึงวันนึงเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูออกแล้วนี่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ว่ามันเป็น บางคับจิตอยู่นิดหนึ่งเพ่งอยู่นิดหนึ่งไม่ต้องแก่แค่รู้รู้ว่าเพ่งนะดูไปเรื่อยๆหัดใหม่ๆเป็นอย่างนี้แหละทุกคนแหะหลวงพ่อกว่าจะเลิกเพ่งก็ตั้งนานเหมือนกันแล้วอีกอย่างนอกจากเพ่งแล้วมางทีคิดด้วยนะจิตมันชอบคิดรู้สึกไหมมันพูดเรื่อยๆไปอย่าไปรำคาญมันนะฝึกกันหลายปีหัวมันจะเลิกพูด ที่ฝึกอยู่ใช้ได้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมขณะ น, นี้ดูออกไหมยกไม่สิวะหลวงพ่อไม่ได้ยินหรอกครับผมดูออกครับเออดูออกก็ไม่มีปัญหาแนละ้วจิตไม่เข้าฐานจิตมออนันกว้างๆออกแปข้งนอกถ้ามันกว้างๆนะอย่าไปดึงคืนนะ หายใจด้วยความรู้สึกตัวหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะนมันก็เข้ามาเองครับกาบน้ำมันสการหลวงพ่อค่ะอันนี้หุูส่งกันบ้านครั้งที่สองในรอบสองปีค่ะคือคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าขันมันแยกแล้วให้ดูกายหรือจิตกได้อะไรที่ชัดแล้วหนูก็คือมีเครื่องอยู่คืออานาปากับอิริยาบทแล้วคือช่วงหลังๆเนี่ยพอหนูดู ตัวรูปไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วคือหนูไม่รู้ว่าสภาวะนั้นคืออะไรมันพอเรายืนอรอรถเมย์อยู่เราก็หายใจยืนดูไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะรู้สึกอยู่ดีๆเหมือนกายมันจะเบาแล้วมันก็จิตมันก็ปลอดโปง่งแล้วมันก็จะเห็นลมบิ้งที่แผ่นหลังอะค่ะแล้วก็แขนขาบา้างที่ใจไม่มีสมาธิขึ้นมามเห็นอะไรก็ไม่สําคัญนะสําคัญที่ไม่หลงลืมตัว คือช่วงนี้มันมันจะเกิดแบบเวลาที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะดูสมาธิจะเกิดตอนที่ไม่ตั้งใจค่ะเธอตั้งใจสมาธิจะไม่เกิดเราอย่างเวลาหนูทํางานในท่าที่เคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะหนูก็จะเห็นแบบบางทีความลอยมันจะวิ่งตามแขนค่ะหนูก็เลยจะถามหลวงพ่อว่ารูปที่หนูเห็นนี้มันเป็นรูปที่แท้ๆเป่าเป็นรูปไฟไงเป็นธาตุป่ะะาห่าธาตุไฟคือเห็นไหมธาตุไฟก็ไม่คงที่ ธาตุลมก็ไม่คงที่นะเดี๋ยวซ่าๆไปตรงนั้นตรงนี้นคือคือหนูกำลังอยากรู้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันมันจริงหรือว่ามันเป็นวิปัสสนูอะค่ะไม่เป็นวิปัสสนูหรอกอ๋อค่ะแล้วคือสภาวะที่เห็นครั้งแรกหนูก็จะรู้สึกต้องเช็ค ก, ก่อนว่าลมมันมาจากไหนใช่ไมค่ะไม่ต้อง อ, อ๋อไม่ใช่คือหนูมันเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้สิ่งสำคัญคือจิตของเราต่างหาก นะอย่างส่วนจิตมันเกิดสงสัยว่าลมนี้มาจากไหนรู้ว่าสงสัยไม่ต้องไปคน้นคว้าลมมาจากไหนก็ช่างมันนะคือคือหนูจะบอกว่าเห็นครั้งแรกอ่ะหนูจะสงสัยเ อ, อแต่ได้หพอพอมันเห็นบ่ยบอยๆหนูจะเริ่มชินอืแล้วหนูก็จะเริ่มเห็นว่ามันเกิดดับออมันมาแล้วไปแล้วออมาแล้วออออไปแล้วนั่นใช่ได้อย่างนี้เท่ากับว่าหนูเดินปัญญาหรือเปล่าคะเดินปัญญาอยู่แต่สมาธิหนูยังไม่พอใจหนูยังฟุ้งอยู่ ดูออกคหมดูออกค่ ะ, น, ะนี่เดินปัญญาด้วยใจที่ฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ไม่ไม่ดีอะต้องไปเพิ่มสมาธิขึ้นหน่อยอพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้คืนหนูอยากจะถามอีกคำถามหนึ่งค่ะว่าอันนี้มันเป็นวิปัสสนาจริงๆหรือ ย, ยังหรือว่ามันยังเกิดจากการคิดค่ ะ, คะแต่มันเป็นเขาเรียกว่าตาลุนะวิปาาัสสนาวิปัสสนาแบบเด็กอ่อนขั้นต้นดารุณนะดรุน แล้วถัดจากเนี้ถ้าสมาธิไม่พอนะวิปัสสนูจะมาเพะฉะนั้นหลวงพ่อเลยบอกให้เพิ่มสมาธิขึ้นซะก่อนคือเพิ่มนี่ยังไงอะคะพอหนูก็นั่งอยู่ทุกวันนะคะนั่งให้หลวงพ่อดูซิผิดล้เริ่มต้นก็บังคับแล้วรู้สึกไหมเนี่ยไป น, นั่งอย่างนี้นี่ใสเสียนะล่งสบายๆอย่างนี้แหละ เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูดูไปสบายๆนะแล้วมันสงบเองถ้าอยางนจะให้สงบมันจะมืดไปหมดอะไม่ดีหรอกคือคือช่วงหลังๆเนี่นะคะเวลานั่งอะคือหนูเคยคราวที่แล้วที่ส่งหนูเคยนั่งจิตรวมแล้วตัวหายใช่ไหมคะแต่หลังๆเนี่ยทาไมเวลาหนูนั่งเนี่ย จิตมันกระจายแบบไปได้ยินเสียงไกลมากๆเลอยอนั้นไม่เอาเย่าตามออกตามเย่าตามออกไปข้างนอกเดี๋ยวมันจะไปรู้ไปเห็นอะไรยุ่งไม่คือคือหนูไม่รู้เพราะว่าหลังๆอะ่ะสติหนออนไปอ๋อนะเพิ่มความรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดหนึง่งไม่ให้ไหลไป อ, อย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะเจ็ดขวบอะนั่งสมาธิไม่กี่วันแออกไปเที่ยวข้างนอกแล้ว ไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรงี้ยแลไปดูโน่นดูนี่เสร็จแล้วแก้ด้วยการพอใจมันจะเคลิ้มลงไปเนี่ยหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งปลูกความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ไม่ใช่ปลูกตลอดเวลานนมันจะเครียดแค่กระตุ้นให้รู้สึกตัวเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ภาวนาต่อล้วเวลาจิตรวมเนี่ยมันรวมด้วยความมีสติมันไม่รวมแบบเคลิคลมไม่ใช่ขาดสตินะ จนกระทั่งร่างกายหายไปก็ายังเหลือสติอยู่ไม่ไม่เผลอไม่หลงคือคืออย่างเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาตอนที่หนูนั่งเนี่ยแล้วพอหายใจเขาออกมันมีความเย็นออกมาตามรูจมูกอะค่ะอันนี้มันถือว่าสมาธิวันนั้นมันโอเคใช่ไหยคะไม่เกี่ยวกับสมาธิคือคือหนูไม่เข้าใจว่าเวลาจะเพิ่มเนี่ยเราจะต้องอย่าเราอย่าเดินปัญญาไม่ต้องดูใจรักนะ ให้จิตมันได้พักผ่อนพุโทโธไปอย่างสบายใจพุโทโธพุโทโธใจมันก็จะสว่างว่างรู้เนะื้อรู้ตัวนะที่ร่างกายหายไปโรคหายไปเวลาจะออกก็ค่อย ค, อ ย, คอยหายใจให้แรงขึ้นดูออกไหมเออต้องอย่างนี้นะคือเวลานั่งหนุ่มไม่ค่อยจะเขิมเลยะ มันฟุ้งสร้างไปทำสมถะบ้างมันฟุ้งไปพุทโธไปหายใจไปคนสุดท้ายแล้วนามัสการค่ะส่งการมาเป็นครั้งแรกค่ะหนูหนูเห็นหลาอย่างอะค่ะเหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อก็เห็นหลายอย่างเห็นผู้หญิงผู้ชายเห็นหมาเห็นแมว ก็คือจะเห็นอะไรที่มันแทรกจากภายนอกเข้ามาทำให้กายเราเสื่อมที่เหมือนกับว่ากายเราเสื่อมเนี่ยคือมันเกิดจากกายในกายที่มาจากอะไรแทรกอะคะเข้ามาไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปสนใจนะถ้าไปสนใจนะใจจะยิ่งปใหญ่เลย ก็คือมันเคยดูครั้งหนึ่งอะพอดูไปเรื่อยๆพออะไรแทรกพวกนี้มันหายไปหมดแล้วอะค่ะคือมันไม่มีอะไรอะไรมาแทรกแล้วมันก็จะมาเห็นจิตที่เป็นราคาค่ะเข้ามาเห็นตอนนี้อึดอัดเออ อ, อย่างนี้ใช้ได้นะอึดอัดมากอดั ด, ดยก็จะเห็นพอเรารู้สึกตัวว่าเราตอนนั้นก็คือเหมือนว่าพอเรารู้ว่าจิตมีราคะมันก็มันก็จะคลายมาอยู่บนศีรษะของเรามันก็จะเห็น อย่างเช่นตอนที่เรามีสภาวะแบบอึดอัดใจมันก็จะเห็นใจมันมีอะไรมาบีบแล้วก็บางครั้งมันมีภาพอะไรเกิดขึ้นมาในหัวมันก็จะเห็นแล้วว่ามีอะไรมันขยับใจให้เราเันความสึขกลัวเกิดขึ้นตามที่เราเห็นภาพนั้นใ น, ในความคิดอืมแบบนี้นี่คือหนูดูอย่าง น, นี้ถ้าหนูเห็นตรงนี้ไหวได้นะ่ะเห็นค่ะรู้เฉยๆรู้ไปเรื่อยๆ ตาเรามองเห็นเห็นจริงๆด้วยตามันก็ไหวเห็นด้วยใจมันก็ไหวเพราะฉั้นะตัวสําคัญคือเรารู้ทันความปลุงแต่งอยู่ที่เดียวนี่แต่ไม่ใช่ไปจ้องมันนะอย่าไปจ้องจนถลําลงไปอยู่ที่นี่ดูแบบเราดูสบายๆเห็นตัวนี้ทํางานไปส่วนอะไรข้างนอกอะไรเนะี่ยไม่ไม่ต้องสนใจมันให้คอยรู้ทันที่ใจของเราอันเดียว ใจเรากระเพิ่มขึ้นมาก็รู้ใจเรากลัวขึ้นมาก็รู้ใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้ไปแต่พอพอรู้แล้วมันก็ดับไปมันก็นหายฮพอพอเรารู้ว่ามันกระเพิ่มหรือว่ามันเขยา่าพอเรารู้ว่าอ่ะมาอีกและมันก็จะค่อยๆหายไปค่ะอเดี๋ยวมันก็มาใหม่มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ทั้งวันนะแล้วถ้าชํานาญเราจะเห็นว่าทั้งคืนด้วยทั้งวันทั้งคืนแล้วเราจะเหนื่อยมากเลย พอเราเหนื่อยมากเนี่ยมีที่พักอยู่อันเดีย ว, ยวคือทำสมถะสวดมนต์ไหว้พระไปเรื่อยๆก็ได้สมาธิแล้วที่ทำอยู่นี้เขาหนูมันมีจุดที่ร่อแหลมนิดหนึ่งนะหนูมันมีการดัดแปลงจิตจนมันผิดธรรมชาติไปรู้สึกไหมมันนิ่งกว่าความเป็นจริง <c oughs> ดูออกไหม บางครั้ก็งงว่าเอ๊ะบางันมันมันสงบเกินไม่ถูกเลยตัวนี้นะจิตไปติดความสงบแบบไม่ดีเป็นวิชาสมาธินะใจเราไม่เป็นธรรมชาติหนูต้องปล่อยใจของตัวเองให้มันเคลื่อนไหวเหมือนคนธรรมดาที่ไม่เคยปฏิบัติใจที่ดีใจอย่างนี้ดีกว่าตะกี้กเลยต้องใจอยู่ตรงนี้นะอย่างตะกี้เห็นลมหายใจทำเห็นลมธรรมชาติอะรูรู้สึกไหมกระทั่งเสียงพูดยังเปลี่ยนเลยใช่ใช่ เนี่ยกลับมาอยู่ที่นี่นะแล้วมันถึงจะไปต่อได้อยู่ตรงนั้นไม่ดีเลยถ้าอยู่นานๆแล้วต่อไปออกมาไม่ได้นะมันเหมือนคนหลุดโลกอ่ะจะเข้ากับใครก็ไม่ได้หลุดโลกไปเลยดีไม่ดีเพี้ยนไปได้นะง mm hmm. ั้นกลับมาเป็นคนธรรมดาไว้แล้วเราเห็นเนี่ยร่างกายหายใจหนูเห็นไหมจิตมันเบิกบานขึ้นมาแล้วเห mm hmm. ็นค่ะเห็นเน่ยตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเออ เนี่ยเข้าไปตรงนี้แล้วเห็นไ้มไม่เอาเลยเด็ดขาดเลยนะตัวนี้ตัวนี้อยู่นานๆเพี้ยนนะนันรู้สึกตัวให้เป็นเอออย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะแล้วหนูจะพบว่าเราร้ายกว่าที่คิดเยอะเลยไปดูนะจิเลตอะไรมัยบโผล่มาให้เราดูมันเห็นบ่อยๆเออนั่นแหละดีเอาเชิญกลับบ้าน ทุ่งนี้เพราะจะมีงานเปิดตัวโทรทัศน์เคลื่อนที่